หลังทมต่ออีกเพื่อเป็นส่วนประกอบํารปฏิบัติที่เรากำลังพากันทำอยู่ที่นี่เสมือนกับสนามฝึกมากต่างคนต่างฝึกต่างชีวิตก็ต่างฝึก แล้วก็เคยไปดูเขาฝึกม้าที่ประเทศพมา่าถ้าตัวไหนที่ฝึกยากก็ต้องเข้าสนามฝึกถ้าม้าตัวใดฝึกง่ายก็ต้องวิ่งตามถนนทน้อางไปเลย จะมาตัวใดฝึกยากค่อยมาตัวนั้นฝึกตัวเอาเองแล้วก็มีลถยาล่อยางัดใส่คอลถมัดใส่คอมาปล่อยมาวิ่งไปแน่แต่มันจะวิ่งไปถึงไหนสนามเข า, ขว า, ขวากว้างขวางรองกระแพงไว้รอบรอบเจ้าของมา้าก็ตั้งกินน้ำชากาแฟายอยู่ที่ประตูคุยกันเล่นกันอยู่ ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมาปล่อให้มา้าวิ่งไปนั่นแ่ละล้มลุกคลุกคลานวิ่งยังไงก็ได้แต่จะวิ่งแต่รถไม่ออกจากคอมันในที่สุดมันก็บทเรียนที่มันได้วิ่งที่มีเครื่องติดคอมันตัวที่สุดก็พารถเดินซกซกซกซอ ก, ซ อ, กออกบาหาเจ้าของ านี้ก็ีการฝึกสติของเรานี่ก็เช่นเดียวกันไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้เ ป, เป็นการฝึกตนเองสิ่งที่เราได้ฝึกได้บทเรียนจากการได้มีสติจากกันหลง เวลามันหลงเราก็รู้เวลาอะไรที่มันใช่สติเราจะมีสติเองมีตรงที่มันไม่ถูกต้องในสิ่งที่เราหลงเพื่อนเราก็หลงในสิ่งที่เราผิดเพื่อนก็ผิดเราเป็นไม่เป็นเพื่อนก็อยู่ก็น่าจะอบอุ่นใจต่างคนต่างฝึกอย่าถือว่าตัวเราผิดคนเดียวอย่าถือว่าเราถูกคนเดียว เอาที่เกิดขึ้นเหมือนกันหมดในการในเรื่องของกายของใจอิท่าสีขันหะในเรื่องของกายของใจที่เป็นรูปเป็นนามนี่อาการก็เหมือนกันหมดหนาวก็หนาวเหมือนกัน ตอนก็ล้อนเหมือนกันเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันเจ็บปวดก็เจ็บปวดเหมือนกันโกรธโลภหลงเหมือนกันหมดกิเลสตัณหาเหมือนกันหมดสุขทุกข์เหมือนกันหมดแล้วก็มีอันเดียวแต่ถ้าเรามีสติจะได้พบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยไม่เหมือนกับรารทางานทําการการทํางานต้องช่วยกัน หนักช่วยกันหาหนกหยาบช่วยกันดึงแต่การฝึกกายฝึกใจไม่มีใครช่วยเราเราช่วยตัวเองให้รู้จักช่วยตัวเองมันจะรู้จักพัฒนาเรือชิงความทุกข์ก็เป็นการพัฒนาถ้ามีความสุขก็คิดแบ่งปันไหนกับแม่รักตู้ถ้ามีความสุขก็เกิดความรัก นั่งกับพ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกก็<อ>ก็จะให้อะไรที่ไม่ให้ลูกเป็นทุกข์ไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์อยากให้ลูกมีความสุขจิงไหนที่ลูกจะมีความสุขพ่อยอมที่จะให้อ น, นันเป็นวัตถุสิ่งของเป็นอนมิตร <c oughs> ปฏิบัติมถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากตภาวธรรมก็คิดมีความรักขึ้นมาเห็นดอกแห็ใจอย่างน้อยก็คิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงเพื่อนถึงมิตริดถึงลูกถึงหลานได้เช่นเดียวกันถ้าหากมีความโกรธด้วยความทุกข์ก็พัฒนามันทำให้เรามีโอกาสพัฒนาตัวเอง ในเรื่องฝึกกายฝึกใจนี่ไม่ได้ปล่อยทิ้งถ้ามีสตินะมันเคารพพัฒธรรมจริงๆระพุทธเจ้าก็เคารพพัรรมเคารพความถูกต้องเราก็ได้เห็นได้ชมผัดไม่ต้องถามใครส ต, ติเป็นเช่นไรความหลงเป็นเช่นไร สิ่งใดที่ไม่ใช่สติมันเป็นอย่างไร ส, งสองผสความเทศความจริงจะบอกเราตลอดเวลาถ้าเรามีสตินะมัก็มีกายมีใจมีลูกมีนามมาเกิดอาการากตา่างๆเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ก็อุ่นใจที่เรามีเพื่อนมีมิตร เออเราก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรให้ความสะดวกต่อกันแล้วกันอาาก็เป็นสนามกายมาก็มาได้เลยมาฝึกหัดต้องฝึกเอาเองผิดก็ผิดเองถ้าผิดให้เป็นเถอะ ก, ก็ทำเอาเองถ้าทุกให้เป็นไม่ทุกข์ก็แก้เอาเองไม่จะเรียกล่องไม่ใช่วอยวาย เมื่อกเราถือขัดน้ำถือแก้วน้ำที่ใสน้ำเต็มเต็มเดินไปถ้ามันถ้ามันกเสียดกระเด็นออกก็ประคองแล้วมันเบียดเหมือนกับนั่งอยู่บนรถ ด, ดื่มน้ำรถมันวิ่งที่มันกระดูกกระดกก็พยายามประคองหรือดื่มน้ำบนเครื่องบิน ถาเครื่องบินตกขึ้่นตกอลไรก็ค่อยๆประครับประครองอ่อนโยนไม่ใช่แข่งกระ ด, ด้างถ้าอ่อนโยนนั่นก็ไม่เกิดเพื่มปีจัยที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นความอ่อนโยนอะไรที่เกิดขึ้นเกิดกายกับใจน่ยความอ่อนโยนไม่เป็นอะไรมีสติมันอ่อนโยนเห็นไม่เป็นนี่มันอ่อนโยน นิมนวลไม่กระทบกระเทือนอรอยที่ควรเจอกระทบกระเทือนก็อ่อนไปไม่เป็นะไรไม่เป็นอะไรแต่เป็นจิตใจที่จะแสดงออกก็ไม่เป็นอะไรสุขก็ไม่เป็นอะไรทุกข์ ก, ก็ไม่เป็นอะไรโกรธโลภหลงไม่เป็นอะไรถ้าหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธทุกข์เป็นทุกข์มันก็มันก็กระเดินไป ไม่อ่อนโยนไม่ไม่ไมบันจ ง, นจงตามแล้วก็มีไม่ถูกต้องทุกเป็นทุกสุกเป็นสุกหลงเป็นหลงอนนั้นไม่ถูกถ้าอ่อนโยนมันไม่เป็นอะไรสุกก็ไม่เป็นสุกเถึงมันสุขอย่างนี้แล้วว่าปรึกตนสอนตนมันได้ประโยชน์ ยิ่งเวลาเจ็บยิ่งยิ่งบรรจงยิ่งบรรจงยิ่งนิ่งยิ่งไม่เป็นไรเฉพาะเรื่องเฉพาะเราได้บทเรียนได้ประโยชน์ได้ใช้ได้คุ้มครองเหมือนกนระทำย่อมรักษาผู้พืชทำอยู่เป็นนิดจทมย่อมรักษาผู้ทำไม่ตกไปในที่ชั่ว เวลาเราเก็บเวลาเรามีอะไรมีปัญหาเกิดขึ้นป่ากับใจหรือว่าไม่ชเวลามันจะตายยังไงมันบันจงที่สุดนิ่มนวลที่สุดเป็นชีวิตชีวาที่ใช้ได้ทำย่อมนมํามหถึงสุกติถ้ามีธรรมมีการปฏิบัติฝึกมาแล้วทำได้แล้วถ้าไม่ฝึก ทำย่อมไมถึงนระกได้เหมือนกันขณะที่เก็บเหมือนกันเก็บเป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไม่เคยฝึกตนเองฝึกตนเองเก็บไม่เป็นทุกข์ตายไม่เป็นทุกข์แล้วก็ดำไปสู่สุคติสุคติทุกขติถ้าทุกขเป็นทุกขหนาทุกขติ เตอทุกไม่เป็นทุกข์ด้วยสุกติได้มันเปลี่ยนรลายเป็นดีได้มีให้เราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นออไปกับใจกายนี่ก็เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นรูปทุ ก, กเป็นนามทุกแน่นหนาถ้าม่ศึกษามันจะครอบ ง, งาได้ทั้งหมดรูปทุ ก, กนามทุกรูปโลกนามโลกรูปสมมุตินามสมมุติ ปัญญะวัตถุกะไาต่างๆมากมายกลายเป็นกิเลสพนาาตัณหาล่อยแปตายน้าเราไม่เผัดว่าดเน่ามืดบอดไปเลยสงก็หลงจนตายโกรกโกรจนตายทุ ก, กทุกรจนตายให้ทุกทับถมหลายชั้นกรมโกรกทับถม ้องท่องที่รูปมันเป็นทุกข์ให้ความทุกข์ที่มันเป็นสมมุติปัญญดมาทับลงไปอีกจนแน่นหนามืดบอดเราต้องพัฒนาถ้ามีสติมันจะถูกพัฒนาในความทุกข์ในเหตุในจสิ่งที่ไม่ถูกต้องพัฒนาให้ถูกต้องได้เห็นด้เห็น ได้ยินคนได้ยินพระเห็นผู้ได้ฟังได้เห็นความคิดได้เห็นการกระทําที่มันแสด้งอกจากก่อจากใจที่รู้ได้เห็นอันที่มันทำให้เกิดปัญหาทาให้เกิดปัญญาได้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเห็นมันคิดได้เปลี่ยนความคิดเป็นสติความคิดมันก็ไปไกลแล่นไปไกลถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีอะไรที่เห็น เล่นไปไปทำให้เกิดกรรมขึ้นมาในความคิดนั้นเป็นกรรมหมายเล็กหนึ่งเป็นจําลอยหมายเล็กหนึ่งตกนกรกผู้ความคิดเป็นเปรตผู้ความคิดเป็นนสุรลกายผู้ความคิดเป็นเดรัจฉานผู้ความคิดมาทิ่มแทงเตือนว่าทุกต้องห้เกิดทับถมเพราะ ม, มันมีสติ มีสติทุกทำให้เกิดพัฒนาขึ้นว่นนาว่น้ำที่ถือในมือก็เดินประคองไว้รู้สึกได้โอกาสรู้สึกสงบสุญยามรู้สึกมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่ศีลไม่ได้มีอะไรศีลมันจะมีเมื่อมันจะ เ, เกิดที่ไม่ปกติ สินคือปกติการไม่มีสินคือไม่ปกติคือผิดปกติจิตใจก็วุิสุ่ เ, เดิมมันเปืเป้อนขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสิ้นทำบาปทำกรรมใ น, นความคิดสำเร็จไ ด, ด้อิสุเลยขุนคิดในลมที่คุนคิดในโลก ในกวามในอารมณ์ทั้งหลายเธอไม่รู้จักสละความคิดออกถือว่าฉินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วพ้อยแล้วไม่ใช่สมนากก็อ้างตวนว่าเป็นสมนาไม่ีสติเท่านั้นที่จะไปเห็นความคิดอยู่คนเดียวคห้หลวงความคิดเวลาเราอยู่คนเดียวเห็นความคิดชัดเจนจึงมีสนามอย่างนี้ เราอยู่กับหมู่คำนั่งวุ่นวายในรูปรถจินเสียงไม่เห็นความยึดถูกรูปรถจินเสียงครอกมาหมดโดยเฉพาะทุกวันในเสียงวิทยาศาสตร์บังคับใไปเราได้ยินได้ฟังรูปก็เป็นวิทยาศาสตร์บังคับาไปเราได้เห็นเรานั่งอยู่บนรถตัวดยทำ ง, งานเหนื่อยไม่ลาจะเดินทางกับเอาใช้การพักบนรถพักก่อน มันก็ปเปิดเพลงเปิดอะไรต่างๆบนรถถุงพรมๆๆแล้วก็มีวีซีดีฉายเปิดปับเปิดปั บ, ปบุคนก็หลร้อยคนก็จ้องไปดูอันเดียวกันหมดแลวมันบังครับเวลาเป็นเช่นนั้นเราจะพักผ่อนยังไงลองใช้ดูซิจะพักผ่อนได้ไหม ถ้าไม่ได้ต้นสนชนตนออามาอยู่โกรธกันไปเลยวุ่นวายไปเลยตางทีก็สูงกรบเกียบเวลานั่งบนรถไม่รู้จินไะไรนั่งอยู่ข้างหลังกรอบแยบป๊บแบป๊บจนแยกขึ้นไปดูบางทีก็ทะเลาะกันตด้โกรธเกลีงขึ้นไป เอาสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับสิ่งไรรอมาเป็นความทุกข์ความโกรธพอใจไม่พอใจอเกิดขึ้นได้เราถ้าเราไม่ปืนถ้าเราฝึกกันอลองดูซิทำให้หูบอดทำให้ลมบอกหูไม่มีอะไรกับอะไรนั่งหลับได้สบายสบายาหนหลับแบบเตรียมพร้อม รถเลี้ยวตรงนี้ลักษณะแบบนี้คงจะเป็นที่นั่นตอนรถเลี้ยวจอดก็ออพักสามสิบนาทีกินอาหารตานอาหารอรือนตาขึ้นดูก็ใช่แล้วลักษณะเลียบบเล้ยวแบบนี้แต่ว่าทีนี้ถ้าเลี้ยวแบบนี้บทที่นี้ถ้าเลี้ยวแบบนี้บทที่นี้เลี้ยวถึง ที่นี่ก็รู้สึกเอออาจจะเป็นปากช่องเลี้ยวมาเช่งข้อแล้วก็ตื่นเลื่อนตาขึ้นมาผมผชาคีบอนมีอะไรลำดับสิ่งของที่เราถือมามีอะไรบ้างถ้าเรานั่งอยู่ข้างหลังก็ขอขอเลื่อนที่นั่งไปเรื่อยๆให้จนไปนั่งอยู่ใกล้ประตู ขอเปลี่ยนที่นั่งขอไปนั่งที่นั่นขอไปนั่งที่นี่เปลี่ยนไปเรื่อยนั่งประตูพอเราจอดบับมือก็ถือของพร้อมแล้วผ้าก็เรียบแล้วจอดงดงามนะไมีสติเนี่ยไม่เก้อไม่เขินไม่ลุ้งี่ลุ้งเหลี่ยงหลังไม่ทุกข์ดีทุกข์ทนเราก็ต้องฝึกให้ถึงที่นั่ะ อันที่เป็นรักษาศีลไปทำบนนะุญนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งอยู่แต่ว่าการฝึกสึกษกรรมฐานมันเข้าถึงเนื้อถึงตัวแนละ้วมันมีให้เห็นนะมันแสดงนะมันกับน้ำที่มันนิ่งย่อมเห็นอะไรที่มันแสดงกับเพิ่มขึ้นมาก็มีสติต้องเห็นกายเห็นใจไม่เห็นสึ่งอื่นนะถ้าเห็นสึ่งอื่น ก, ก็กลับมาดูกายดูใจน้อยทีมันก็หลอกนะ เป็นปีิเป็นนิมิตอะไรต่างๆคือคือหมาได้กับผู้ปฏิบัติตก็อย่าหลงมันมันก็มีสุขมีทุกข์มันอย่าหลงมันทั้งนั้นแต่เราเราคึกหันให้ชำนิชำนาญไม่ใช่เราหลงคนเดียวคนอื่นก็หลงคิดว่าเพื่อนของเราเยอะแยะเลยยิ่งเรามาเห็นกันเดินจงกรมอยู่เนี่ยอขาก็เหนื่อยเขาก็ง่วงนอนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราคนเดียว แล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอุนอ่นจูบอุ่นใจต่างหากแม่ชีทัทง้งญ่าทั้งโยมนี่เราไม่เห็นกันเดินก็ว่าล้มดาบดูบดก็เห็นเพื่อนกำลังอยู่ที่โน่นที่นี่อยู่แล้วก็มีเพื่อนมีมิตรจริงจริงเราจึงมีโอกาสเต็มที่ใช้โอกาสให้เต็มที่ นี้สิทธิให้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่กับการใช้ชีวิตในเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเมื่อเราก็ให้ท่านให้สิทธิร้อยเปอร์เซนกับที่นี่เรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรถ้าจําเป็นก็จะบอกช่วยบ้างถ้าไม่จําเป็นไม่ได้บอก นี่คือการฝึกตนสอนตนถ้าไม่มีสถานที่อย่างนี้มันก็มันก็ก็ไม่สะดวกเราสะดวกเพราะใช้สถานที่ให้ได้เห็นตัวเองเห็นกายเห็นจิตได้มีสติต่อเนื่องอย่างมีอะไรที่มากระทบไม่ขาดง่ายๆเว้นแต่มันจะเกิดขึ้นกับเราเองจริงภายนอกอาจจะไม่มีนะ มันเกิดขึ้นจากเราเองหลงก็เกิดขึ้นจากตัวเองและตัวเองก็แช่ตัวเองทุกทุกเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็แช่สู่แก่ทุกตัวเองเพราะมันมีสิ่งที่เราไม่แก่แล้วมันไม่ถูกต้องสติกับสิ่งอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมามันต่างกันอยู่มากๆเลยไม่ใช่มันใช่ไม่ใช่อันเดียวกันมันคนละหยาดเงินเตอะทำเป็นอย่างหนึ่งทำเป็นอย่งายงหนึ่นนงสอมเผยต่อ <c oughs> แล้วก็มีสิทธิแล้วมาหลงมีสิทธิไม่หลงติดขาดอยู่ในสถานะแบบไหนก็ไม่ต้องหลงอยู่ในสถานะแบบไหนก็ไม่ต้องทุกข์ลองดูรูปไม่ทุกข์วินาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์ความเกิดก็ไม่ทุกข์ความเก่ดก็ไม่ทุกข์ความเก็บก็ไม่ทุกข์ความตายก็ไม่ทุกข์ มันจะไปอย่างนั้นนะถ้าเราเริ่มต้นตามกลางที่สุดเป็นเช่นนั้นอย่ารูปรูบขำๆกันอยู่เด็ดขา ด, ขาดไหลบ้างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอย่าไปเด็ดขาดกับคนอื่นเด็ดขาดกับเราเพียงไดที่ไม่ดีเด็ดขาดเรา เราก็ทําได้นะภาษาหลายทิ่งที่เกิดขึื่อน ก, กายมันไม่ขี่ช่างขี่มากมาไม่น่าจะยอ ม, มนะไงเด็ดขาดเลยให้มันเด่นในความหลงเด่นในความรู้สว่างสวยในความรูงงมมม้ความหลงหมดเมฆหมอกความรู้หมืนพ้นจากเมฆหมอกมีสติ จนองค์ุลิมาจนพระองค์ุริมาง์ได้แสดงคาถาอยู่จะอุเพปมัตคิดว่าชาโชนัปมัตสติเสวมังโลกังปปาเฉลอภพุทธโทวจันที่มาเมื่อก่อนนี้เมื่อดวดไม่มีสติเลยหมดนี้มีสติแล้ว สว่างสวยเหมือนพระจันทร์พ้นจากแม่แค่นั้นมันมืดกับไม่ไม่มืดต่างกันขนาดนั้นพ้นมาจากความมืดบอดว่าเห็นแจ้งรู้จริงเนี่ว่าวิปัสสนาดูแจ้งเห็นความเท็ความจริงล่วงพ้นเพราะว่าเดิมล่วงพ้นเพราะว่าเก่าที่เหมือนเกิดขึ้นกับเรานี้ มันมีไม่ใช่ไม่มีมีหลงมีรู้มีสุขมีไม่ทุกมีทุกมีไม่ทุ ก, ม, ม, กมันตรงกันข้ามอยู่ไม่มีตำถามอะไรเลยเรื่องปฏิบัิธรรมเปิดเท็จเกอเท็จเกอความเพ็ดความจริงได้สัมผัสเป็นเฉพาะตัวปัจจัดตัง ปฏิบัติเองสัมผัตเองแล้วก็ทำได้ด้วยไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับขายกับใจเนี่ยถ้าเป็นสตินะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สติทำไม่ได้เลยแพ้ไปเลยอะไรก็วันไหวไปเลยแพ้ไปเลยมีสติเป็นคนแก่ที่จะหลุดได้หาสติสติปฐน สัมปชัญญะบอบพระช่วยได้เยอะแยะเลยมีพระท่านถา ม, มารูปก็บผถ้าเหมือนเกิดความสุขเกิดสติปัญญาขึ้นมาในความคิดในภาพที่เห็นเห็นไปแ้วทำไงกลับมาอย่าไปอยู่ในภาวะที่รู้ถ้าไป มีความรู้มีสติมีปัญญาที่มันพุ่งออกมาเห็นอะไรต่างๆก็อย่าลืก็อย่าไปหลงมันกลับมาหาฐานที่ตั้งเวลานี่กําลังกําลังคล่องถ้าเป็นจราจรก็กำลังสะดวกวิ่งเอาวิ่งเอาเหมือนรถจากกรุง เ, เทพว่าเวลาทางเปียวกวิ่งเอาวเอาวลามันเห็นอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรรบ ก, กวนมีแต่เห็นแต่เรื่อง เปิดทึ่งปากไปมีสติเข้าไปมีสติเข้าไปให้มันถึงขนไหมปลายทางจะลู้ทีหลังเอง <c oughs> <c oughs> อย่าไปคิดหาคำตอบไล้คำตอบแล้วก็ตอบอยู่เช่นนั้นมีความสุขก็คิดได้บางทีก็กลายเป็นจินตายานไปกลายเป็นวิปัสสนูไปได้ โดยเพราะเมืองต้นๆพระจะหลงสูวิประดุได้ง่ายเพราะบางทีเราก็ไม่เคยได้ชีวิตแบบนี้ในความสุขก็มีในปิติในความอี่มใจก็มีในปัญญาก็มีได้อย่าไปหลงให้มีสติไปก่อนไม่ใช่เอาความรู้ไม่ใช่เอาความสุขไม่ใช่เอาเหตุเอาผล มีสติไปก่อนเถอะรู้สึกตัวไปก่อนขับบางขับมาไปก่อนไปก่อนว่าจะมีสติมั่นไหวมั่นไหวมัจะเป็นมันจะเห็นมันจะเป็นไม่ใช่รู้ก่อนฝึกให้รู้อาจจะทํำได้ง่ายแต่ความรู้ที่เป็นกินตญานนี่ มันจืดมันเป็นกุปฏธรรมมันเสื่อมได้นักกรรมฐานที่เป็นจินตยานเป็นวิปเ จ, จนุลเสื่อมกันไม่กลัวบาปเลยมุ่งมันเสื่อมเราจะทำอะไรก็ได้ถือว่าเตืองรูเพศเจงอะไรชนตะพุทตะพื้นแต่พุทธสุดเนี่ด้านไปเลยเพราะในขณที่เราฝึกเนี่ยไปก่อน แล้วเราเดินทางมันก็สุขจริงๆเวลาเราพักผ่อนมันก็หายเหนื่อยไม่มีความสุขยักจะหรับจะ น, นอนเพลินแต่ว่ายังไม่ยังไม่เดินต่อก็ยังไม่ถึงที่หมายได้ความสุขก็มีขณะที่เราปรฏิบัติธรรมความทุกข์ก็มีขณะที่เราปรฏิบัติธรรมย่าหลงมันทั้งสองอย่างมีสติไปก่อนไม่ผิด เราเฉกไปก่อนเมื่อพลังชิมไงเรามันมองขึ้นทีหลังมันสุดมันก็สูดตายนะจบมันก็จบตายพอมันจบเราก็คืนที่หลังขึ้นมางกลับขึ้นมาเวียนขึ้นมาเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบเรอ บ, รอบไม่ไม่ไม่เฉื่อมเป็นอคุปธรรม อากูปธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมนั่นกับพระเสกขะพระอเสขาอาเสข า, า, ขาไม่ต้องศึกษ า, อาเองเสกขาต้องศึกษาเรื่อยๆอังพระท่านจวดอภิธรรมเสกขาธรรมอาเสขาธรรมาพระผู้ต้องศึกษาคือเสขาจาต้องศึกษาอยู่เลยอาเสขาธรรมาพระผู้ไม่ต้องศึกษา แล้นี้เขาก็มาสมมติบัญญตัตเราเป็นวัตถุโอเป็นนั่งขึ้นมาก็ ก, ก็ก็สับสนนะอย่างพระอเศขาทำาะไถ้าเป็นเจ้าคุณชั้นหลายชั้นหนึง่งเจ้าคุณชั้นสามัญห้ามเรียนห้ามเรียนประโยคต่อไปเอาการเรียนเป็นการอาเศขา ถ้าใดเจ้าคุณเราไม่ต้องเรียนประโยคเนาะประโยคสอบประโยคโปรทว่าเิดโปรทวเก่าเอาัาษาโอวายวุธให้เป็นกลุมกั้นถือว่าพระอาเชกค่ะาผูใ้ใดเป็นเถระาเป็นเจ้าคุณชั้นลาชั้นใดชั้นหนึ่งชั้นสามันชั้นใดชั้นหนึ่ง ไม่ให้เรียนเย็นสมัยก่อนวิบูลละธระรมไล่เปลียนแปดประโยคดังมากหาเทระสาวคมขวงกันไว้ตั้งเป็นเจ้าคุณวิบูลละธรรมขึ้นมาไม่ให้เรียนเลยหยุดแค่ปเปลียนแปดถ้าจะไล่ปเปรียนเก้ามันจะสูงขั่วพราะเทระลู่หอื่นก็เลยไม่ให้เรียนใระว่าวเสกขาแบบสมมุติปัญจัว่าใช่เสกขาแบบพระอริยบุคคล มันก็เอาสมมติบัญญัติมามใช่เป็นประมัติสัจจ์จริงแบบสมมุติแต่จริงแบบชีวิตชีวาไม่มีคาว่าไอาเสขาทําำไรไม่เป็นอื่นไปแล้วชีวิตนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกนี่ไม่ต้องสืบสาวอีกไอเสขาคือไม่เป็นอะไรกับอะไรจะให้เป็นอะไรไม่ได้ละสุดยอดแล้วไม่มีสมมุติที่ให้เป็นอันนั้นอันนี้ภาษาของธรรมะ ไม่มีสมมติมันหยาดอันหนที่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเลื่อนละคอใจเป็นติเป็นถูกไม่มีนั้นเป็นชีวิตมันไม่ใช่เป็นสมมุติเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่ต้องเป็นชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรครับอะไรแล้วพัฒนาจนสุดยอดโดยวิชากรรมฐานนี่แหละมีสติสมบัติญาณปัปพานี่ ใช่ได้จริงๆจำชัญญาอบอกพะทีมาก14จังหวะรู้ทุกจังหวะวินาทีละรู้มันไม่มากแต่มากอย่างก็จะเป็นได้หรือ14รู้รู้ทุกวินาทีเวล า, ามันไม่รู้ก็รู้ในขณะที่มันไม่รู้ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ สต so ินี่อะไรเอียนไปเป็นสติทั้งหมดเลยเัาก็จะเนื้อกันเกิดเจ็จ็ป่วยเป็นชีวิตชีวาตั้งแต่นมนมน้อยๆเนี่ยก็ยังดีจะได้มีชีวิตชีวาจะได้แบ่งปันให้คนอื่นบ้างจิ่งอื่นบ้างวัตถุอื่นบ้างมาช่วยกันก็ก็อุ่นใจล อุ่นใจเห็นเพื่อนเห็นมิตรที่มีชีวิตร่วมกันทมปฏิบัติธรรมกรรมฐานนี้แหม้นไม่รู้อะไรในเวลาเน่จะมีมันไม่ลืมไปไหนมันเป็นตาอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วเคยเปลี่ยนหลงเป็นรูนะ้เนี่ยได้ ว, ว่า่ตาแล้วไม่ลืมตรว น, นี้ยิ่งได้เห็นรูเปเห็นนามยิ่งได้หลักได้ฐานมา อะไรที่ทำให้เกิดทุกเกลรูปมันทำไม่ได้สงสารรูปแต่ก่อนยังไม่โลกรูปนามก็เบียดเบียนกันว่าเห็นรูปเป็นนามตามความจริงสมังเคีกันแบ่งปันกันได้ประโยชน์ได้ความสะดวกในการใช้รูปใช้นามสนับส น, นุนแบ่งปันสร้างสรรพัฒนา มีความสุขความทุกข์ที่เกิดจากคู่จากนามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ถูกต้องจริงๆต้องสอนตัวเองถ้ามีความโกรธเ ม, มตตามาช่วยถ้าโกรธเลยก็ด่าเมตตานี่มาหมาสอนถ้าไม่มีความ โปรดความทุกข์แล้วเกิดเมตตากรุณายิ่งใหญ่ไพศาลตาผู้ปฏิบัติธรรมเราจึงฝึก<ม>เอาไว้มไม่ใช่เสียหายอะไรที่ไหนบางทีอาจจะคั่วจับมาช่ดาง<ม>เคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนี้ ก็ไม่เคยจะบิดแปดด้านนะเราต้องไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตาจริงๆก็ so, สมควรเจอเวลา